ในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าอรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นสุขอย่างยิ่งคำนี้ก็คือคำบอกด้วยความตัดของพระเถระท่านหนึ่งชื่อพระพากระพระพากระท่านนี้ประวัติของท่านก็พิสดาร แต่ันโลกทําไมสมัยทุกวันนี้ก็พูดออกไปก็เหมือนกับไม่น่าเชื่ออะไแต่ไม่เชื่อได้อย่างไงเพราะกลั่ะกรัมของท่านที่ทํามามันเป็นไปได้ทั้งนั้นกลั่มอย่างที่หลวงปู่ล่าพูดกับหลวงตามหาบัวสมัยอยู่ห้วยทรายสมัยหลวงตาก็ยังหนุ่มหลวงปู่ล่าก็ยังหนุ่มแต่หลวงตาเนี่ยเป็นมหาแต่เป็นอาจารย์ของหลวงปูล่าลาหลวงปู่ล่าบอกว่ากับผมเนี่ไม่อยากจะเชื่ออพราม ชูชกเนะ่กินอาหารจนท้องแตกเนะ่ยคนเราท่าว่าไม่อายเกียนมันก็ถ่ายเท่านั้นนะ่ะจะไปท้องแตกนะมันเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อตำลาเนี่ยเขียนเกินไปหนะลุงตามหาบัวบอกว่าเอากำมันเป็นได้ทั้งนั้นแนหะถ้าหาว่าท่านไม่เชื่อท้องแตกท่านก็คงจะไม่เชื่อว่าแผ่นดินสูบพระเทวทั์แผ่นดินแข็งแท้ๆมันจะไปสูบคนได้ยังไง ท่านก็คงจะไปเชื่อได้หลายอย่างในพระไตรปิฎกกรรมการกระทำมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละอันนี้คือคือพระพาวุระท่านนี้ก็เหมือนกันท่านมาเกิดในท้องของภรรยาของเศรษฐีที่เป็นคนมั่งมีร่ำรวยจากนั้นก็ท่านครบกำหนดท่านก็คลอดออกมาออกมา พอออกมาแล้วก็พวกผี่เลี้ยงนางนมไปเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆตัวแดงๆเอาไปเล่นน้ําทะเลว่างั้นพอเล่นน้ําทะเลวันนั้นพอเล่นไปเล่นมาสนุกสนานปลาหวานมันก็วอยวายมามันก็มางับเด็กกลืนเข้าไปในท้องเข้าไปในท้องปลาปลาใหญ่พอเข้าไปตอนนี้ก็พ่อเนี่ยแแตกกระเจิงขึ้นมาลเลย เด็กมันก็นอยู่ในท้องปลายพวกนั้นก็วิ่งขึ้นมาพอจะกนั้นก็ด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทาไว้ดีและกับบาปอากุศลที่ท่านได้เคยทําไว้อีกเหมือนกันนั่นแต่จุดจุดนี้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทําบาปอันไหนไว้ท่านจริงอยู่เข้าไปอยู่ในท้องปลาวานในท้องท้องปลาใหญ่ไม่มีท่านก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันแต่ท่านก็อยู่เข้าไปอยู่ในแต่ไม่ตายเพราะั้นเพราะว่าท่านได้ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วอถึงจะค่ายยังไงก็ไม่ตายถ้าว่าท่านจะได้สําเร็จแล้วเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วเหมือนกับติดสะมาเนนแม่ไปเผาไฟสับเปลือกองของแหลมแทงในท้องผลทสุดตอนเช้ามากระเด็นออกมาจากท้องแม่มานอนอยู่ข้างกองไฟ ไม่ตายแต่ว่าตาแตกตาบอดไปข้างหนึ่งเพราะถูกไม้แหลมแทงเข้าตาคือว่าท่านขอกองย ม, มีกล้ำไปแทงตาของคนใครก็ไม่รู้นะผลที่สุดก็เนี่ยขนาดแม่ถูกเผาตัวเองยังออกมาจากท้องแม่กระเด็นออกมามาอยู่ข้างกองไฟอไม่น่าเชื่อแต่คนทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้แต่ว่าในตั๊บพระไตรปิฎกท่านยืนยันอย่างนั้นจากนั้นถ้าก็มา ได้บวมบวดเป็นสัมมาเ น, นอายุได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่อายุเจ็ดขวบอันนี้ก็คือสัมมาเนนติดสะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันขนาดแม่ตายเผาแม่ตัวเองก็เด็นออกมาจากท้องแม่มาอยู่ข้างกองไฟแล้วคนตอนเช้าคนไปเห็นเอาเด็กมาเลี้ยงยังไม่ตายอันนี้พระพากุระที่จะพูดถึงนี่ยก็เนี่ยท่านชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านก็อยู่ในท้องของปลาหลายวันเดียวปลาตอนนั้นก็พอได้กินเด็กเข้าไปในท้องแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมั้นก่ะทุรนทุรายกระปวดกระวาดพอในสุขเลยไปติดอวนเขาอีกไปติดอวนปลาเขาอีกพอไปติดอวนเสร็จแล้วก็เขาก็จับมาเลยปลาตอนนั้นก็ตายเลยพอตายเสร็จแล้วก็ปลาตอนนั้นก็อยู่ เขาก็ามาเข้ามาขายวันนั้นก็พอดีเศรษฐีอีกคนหนึ่งเหมือนกันเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งไปจ่ายตลาดพอไปจ่ายตลาดพอไปเห็นปลาตัวเศรษฐีของแม่บ้านของเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งเหมือนกันจ้ะเขาไม่มีลูกอีกเหมือนกันไม่มีลูกแล้วไปจ่ายตลาดคือเขาอยากได้ลูกอย่างมากแต่ไม่ได้แต่คนนั้นก็มีลูกคนเดียว อีกเหมือนกันที่ว่าปลากินเข้าไปในท้องแล้วก็โอ้เสียอกเสียใจอย่างมากเพางั้นแต่แต่นี้นคนนี้ก็ไปจ่ายตลาดไปเห็นปลาตัวนี้โอ้เอาตัวปลาตัวนี้แนหะคงจะเป็นไขม่มันคงจะมีท้องไขม่มันท้องมันใหญ่มาจากนั้นก็เลยชื้อปลาตัวนั้นมาปลาตัวนั้นมาตะกอนเมียเศรษฐีคนนี้แหละแม่บ้านเศรษฐีคนนี้นหละไม่เคยคิดทําครัวแต่วันนี้อยากจะทําครัว เนี่แหละกรรมมันเกี่ยวเนื่องหากันเหมือนกันนะอยากจะทําครัวป่ะดิฉันจะทําเราจะทําเองปลาตัวนี้ทําไมท้องใหญ่เหลือเกินคงจะไข่เยอะมั้งเองก็พอช้าแหลกเข้าไปในท้องปลาเห็นเด็กอยู่ในท้องปลาเอา้าเด็กทำไมอยู่ในท้องปลาจะได้ก็เด็กออกมากเอาออกมามาล้างน้าอะไรเด็กก็ยังไม่ตายใช่ไหยังไม่ตายจะนี้เ็โอ้เอามาเลี้ยงไว้ เศรษฐีบ้านที่ลูกขายนะก็ประกาศเลยว่าปลากินลูกปลากินลูกแล้วว่างั้นประกาศลงไปแต่พวกนี้ก็พอต่อมาได้ลูกอยู่ในท้องปลาเทอะผลที่สุดก็เลยพวกนั้นก็มาขอพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ยอมให้ผดพูกนี้ก็อยากจะได้ลูกอยู่แล้วลูกเด็กชายต่างหากว่างั้นผลที่สุดก็เลยสองเศรษฐีสองตระกูลนี่นก็ เตรียมทับเพื่อจะยกถล่มกันแล้วนั่นแหะยังเด็กแต่นี้ก็พระราชาที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านกลัวโอ้ไม่ได้พวกท่านจะทําถล่มฆ่ากันอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยตั้งศาลผีภากษาอายการขึ้นมาวินิจฉัยพวกนี้ก็ว่าใช่ลูกของฉันแน่ๆเอาไปเล่นน้ําทะเลปลามากินนไงพวกนี้ก็ใช่มันหมดสิทธิ์ของท่านแล้วปลากินแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันได้มา แต่ฉันไม่ได้มาลูกของท่านก็ตายไปอันนี้มันก็มันกระถกเถียงกันผลที่สุดก็เลยตั้งพิพากษาอายาการขึ้นมาเอาต่างคนก็ต่างรักทางนู้นเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่เขาจริงที่มันอยู่ในท้องปลาแต่พวกนี้ก็ใช่ได้มาจากท้องปลาจริงเอาอย่างนี้ดีไหมมาตั้งบ้านรัว้วตั้งที่พักที่ปราศาส์คือว่าทําเป็นปราศาส์หรือมังนงั้นแต่ทําเป็นบ้านพักของเศรษฐี หลูหลาเลยช่วยกันมาสร้างให้อยู่ในระหว่างกลางในขณะที่ที่สร้างอยูน่นะเดี๋เอาวันหนึ่งเจ็ดวันก็ให้มาอยู่บ้านนี้เจ็ดวันหนึ่งก็ให้ไปอยู่บ้านนู้นอยู่เป็นตระกูลเศรษฐีตั้งชื่อว่าพพากระว่างั้นจ้ะ ช, ช่วนเด็กชายพากุระเพราะนี่คือก็สร้างบ้านเสร็จพอสร้างบ้านเสร็จแล้วก็เอาเด็กชายพากุรนะเนี่ยอืมาอยู่ที่บ้านหลังนั่นแหละบังตรงกลาง แล้วก็เจ็ดวันทางพ่อแม่เก่านี่ก็ไปดูแลอุปธรรมประถับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทั้งหมดอันไหนที่ดิบดีแบบนั้นเปลี่ยนให้พอเจ็ดวันอกีกแล้วก็พ่อแม่ทั้งบ้านนี่ก็เข้าไปดูแลอุปธรรมประทาอีกเจ็ดวันของที่เปลี่ยนแล้วก็เอาสงกับคืนไปหาทางนู้นพอทางนั้นมากับสงของกลับคืนไปทางนี้ดูแลเหมือนกับเมื่อความ ผาสุขอย่างมากๆจากนั้นต่อมาท่านก็อายุได้เจ็ดขวบท่านบอชีวิตนี่เป็นชีวิตที่น่าคิดเหลือเกินเกิดมาทั้งทียังเข้าไปอยู่ในท้องปลาอีกถ้าว่ามันถ้ามนุษย์มนาธรรมดาก็คงจะตายแ่ะแต่อันนี้เราทำไมไม่หยึงไม่ถึงกับตายจากนั้นท่านก็ได้ฟังเสียงธรรมะ แต่ตอนที่ได้ฟังเสียงธรรมะนี่เราก็ไม่รู้มันกันว่าท่านได้ทักฟังท่านได้ไปศึกษาที่ไหนได้ไปฟังเทศที่ไหนคงจะเศรษฐีทั้งฝ่ายพ่อแม่น่คงจะนําไปฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็มังจากนั้นท่านก็เลยจากจะบวชเป็นสมณะท่านก็ได้บวชบวชมาไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะพูดแบบรวบลัดนะพอเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้พี่น้องทั้งสองฝ่ายแต่ ต้องรักษาอีกอย่างเก่าพอต่อมาเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มาเปลี่ยนบริคานบาดให้อีกเก็วันกับฝ่ายหนึ่งมาเปลี่ยนบริคารเปลี่ยนบาดให้กีวรให้บริคารให้ท่านก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันทั้งฝ่ายพอฝ่ายแม่ทั้งสองฝ่ายดูแลแต่ท่านพระพากราเนี่ยท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยฉันสมอแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เคยเอนกาย เพเหตุใดเพราะว่าท่านตั้งความปรารถนาว่าขอเกิดมาพบใดชาติใดเมื่อข่าได้สําเร็จขออย่าโรภาคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีอย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าคําว่าเก็บแข่งปวดขาเวทนาต่างๆอย่าได้มีกับข้าพเจ้านี่แหละมีพระอรหรันตูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวเท่านี้แล้วว่าพระพากุระที่พูดขึ้นว่าอโรโขยาปรมาลาภาความไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบอย่างยิ่งนะนึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งก้อยใช้เป็นลาบอย่างยิ่งก้อยใช้เพราะคนไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บจากนั้นท่านก็อายุถึงร้อยี่สิบปีอีกต่างหากนะท่านอยู่อย่างพระอา ย, ยุท่านร้อยี่สิบปีท่านเป็นพระทหารแต่อายุเจ็ดปีนะแต่ที่เมื่อท่านจะได้สําเร็จเป็นพระทหรัรนะท่านก็มาคิดว่าอถ้าว่าเราตายแล้วมรณะภาพในบ้านหลังนี้ เดี๋ยวตระกูลนั้นก็จะมาแย่งเดี๋ยวตระกูลนี้ก็จะมาแย่งแย่งาธาตุของเราแย่งร่างกายของเราเดี๋ยวก็จะทะเลาะ ก, กันอีกละ่ะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวกันอีกอย่าเลยเราจะมรณะภาพบนอากาศก็แล้วกันจากนั้นท่านก็เข้าเตโชเตโชธาตคือเตโชวาโววายว่างั้นเข้าวายโยธาวายโยธาจะคือาธาตลมท่านก็ ยานขึ้นบนอากาศเพราะอาญาอากาศจะเหมือนกับบังไฟนะว่งั้นบังไฟมนอมนกัดกัดกัดกัดขึ้นไปวันตลกจากนั้นก็เห็นแต่กระดูกตกลงมาแบ่งเป็นสองภาคเลยว่างั้นเละไม่ต้องแบ่งกันยากเลยว่างั้นแเละภาคหนึ่งก็ตกไปทางตระกูลหนึ่งภาคหนึ่งก็ตกไปตระกูลหนึ่งท่านอายุร้อยี่สิบปีนะแต่ว่าพ่อแม่ของท่านก็คงจะจากไปแล้วล่ะ แต่ถึงยังไงกัลูกหลานตระกูลเนี่ยเยังสิบทอดก็ยังให้ความรักเคารพท่านอย่างสุดๆดอยู่ว่างั้นแต่พร้อมที่จะลบลาข้าว ฟ, ฟันกันท่านก็เลยแบ่งอัธิธาตุของท่านให้เป็นสองฝ่ายเลยจากนั้นญาติพี่น้องก็เลยได้กระดูกอัธิธาตุพระธาตุของท่านก็ไปสร้างเจะถูกเจดีในตระกูลของตอนเองนี่แหละอันนี้ก็คือความไม่มีโรคเป็นราภอันปิดเสร็จ ไม่เคยฉันสมอแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เคยเอ็นกายในการเก็บไข้ได้ป่วยไม่มีนี่แหละคือมีพระเถระในตุกบรรดาอจิติมหาสาวกแปดสิบโลกนี่มีท่านพภาคุระเนี่ยเป็นพระเถระที่ไม่มีโรคภัยไข้เก็บก็ด้วยบุญกุศลของท่านอ่ะทั้งท่านตั้งความปรารถนามาแต่นอกจากนั้นมาแล้วมีแต่เก็บไข้ได้ป่วย ทุกวงนั้นก็มีาธาตุขันขึ้นมาแล้วก็หิวกระหายแล้วก็เป็นทุกข์แต่ท่านพระพากราเนี่ยมีความสุขตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแต่มีความทุกข์ถึงตรงปลากินเข้าไปในท้องช่วงนั้นท่านคงจะไม่รู้อะไรแลเพราะท่านเป็นเด็กเกินไปพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาท่านก็ อ, อยู่แบบมีความสุขมีมีความทุกข์ในปัจจัยสี่ในเรื่องการเป็นอยู่ทุกอย่าง อิพระเถระองค์เดียวที่ท่านเป็นบทวาจาและเป็นคาถาดูเป็นคําพูดออกมาว่าโรขยาปรามาราพาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นลาบันประเสรดนะพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากมันไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาหยุกยาเต็มไปหมดเลยกันียเพราะจะตายเพราะเรามีโรคภัยไข้เจ็บ มีธาตุมีขันถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนธนุถนอมขนาดไหนเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นดูเสมอหรือมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งก็แก่แก่อย่างที่คุณแม่ฉีแก้วท่านพูดไม่มีทุกข์อะไรยิ่งกว่าทุกข์เพราะความแก่ท่านก็มองเพราะเหตุใดเพราะท่านนั่งอยู่กับที่ไปไม่ได้ แต่ก่อนท่านเดินเหินที่ไหนปีนภูผาปา่าไม้กันไปได้ทั้งนั้นแต่บัดนี้ท่านนั่งแข้งขาของท่านเหยียดแข่งเหยียดขาก็าาไม่ได้ต้องคนช่วยทั้งนั้นถาบข้อห้องน้ำห้องถ่ายอีกเป็นทุกข์เพราะเหตุไรเพราะคนความแก่อืความแก่นี่นก็เป็นทุกข์แล้วก็ความเก็บเก็บไข้ได้ป่วยเปยังไงแล้วก็ความตายอย่างที่ตลงพ่อได้พูดความตายเนี่ยใครท่านผู้ตายเนี่ยท่านไม่รู้หรอกความตายเนี่ยทุกข์ขนาดไหน แต่พวกเราเห็นเห็นก่อนที่จะตายเนะี่ยหายใจปลานะมันจะหาความสุขได้อย่างไรคนก่อนที่จะตายนี่แหละแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดมาถ้าว่าพวกเราเกิดมาในภพเกิดมาจะเป็นภพใดชาติใดก็ตามจะเป็นสัตว์ที่รชนันประเภทไหนก็ตามเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดน่าเบื่อพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้ว ทั้งอดีตชาติเป็นร้อยเป็นหมืน่นเป็นแสนแสนชาติไม่ใช่ว่าเป็นสิบยี่สิบชาตินะเป็นแสนแสนชาติพระพุทธองค์ได้มองดูในอดีตและกำมองสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยที่รอบข้างทั้งหลายวิญญาณทุกวิญญาณเกิดแก่เจ็บตายหาความสุขไม่ได้แม้แต่หน่อยเดียวเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าโลกนี้เป็นโลกทุกข์ขังอนิจจังโลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์จากนั้นพวกท่านทั้งหลาย อย่าไว้ใจในชีวิตอยู่ในโลกหาทางพ้นทุกข์ซะชําระกิจใจจะทํายังไงจึงไม่มาเกิดอีกจะชําระยังไงจึงเจไ๊ไม่มาเกิดอีกต้องศึกษาทีนี้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วกนะันชําระใจกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันอยู่ในใจนะตัวนั่นละพามาเกิดเมื่อชําระใจแล้วใจบริสุทธิ์แล้วใจไม่มีกิเลสแล้วใจบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสนั้นแหะนั่นแหละที่นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุญญ์อย่างนิพพานศูญใจตัวนั้นศูญออกจากเชื้อเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะไม่อยู่ในใจดวงนั้นแล้วใจดวงนั้นสลัดกิเลสราคะโทสะออกโมหะออกจากใจของตนเองแล้วใจเป็นอิสระใจเป็นธรรมธาตุใจเป็นโพรมสุข เนี่ยใจเป็นอิสระเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนมีที่สิ้นสุดสรุปแล้วมีที่สิ้นสุดมีทางออกที่พวกเราจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าพวกเรามาเวียนไหวตายเกิดก็อย่างนี้แหละเดี๋ยกวก็เจ็บนั้นเดี๋ยวก็ป่วยนี่เดี๋ยก็เจื่องนั้นเดี๋ยกวก็เรื่องนี้มากมายมีพระพระภากระองค์เดียวที่ท่านบอกกล่าว โรขยาประมาลาพาแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะท่านก็แก่ท่านกมราณาภาพอีกเหมือนกันร้อยี่สิบปีอายุของท่านแต่ถ้าว่าท่านอันนั้นท่านบริสุทธิ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้แล้วอันนั้นคือพระอรหันต์แล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายถึงอายุร้อยี่สิบปีก็เถอะแต่จิตใจของเรายังเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ต้องเกิดอีกวันยังค่ำ ออกจากชาตินี้เราก็ต้องไปเกิดอีกที่อายุยืนเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันในอดีตชาติไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้สงในการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุยืนยาวแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะเคยทรมานหรือว่ารังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้สัตว์เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเบียดเบียนมนุษย์ด้วยการลังแกมนุษย์ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้เราเกิดมาพบนายชาตินานเราต้องได้รับกลัมคือการกระทำของตนเองแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้ฆ่าตัดชีวิตก็ต้องอายุไขอายุไขของเราสิ้นจุดลงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนนี้ไปรับพร